หนทางไปสู่ความล่มจมสิ่งที่ทำให้รัศดรล่มจมมีอยู่สามทาง 1. ไฟฟ้าพอไฟฟ้าเข้าไปจะใช้อย่างไม่คำนึงถึงรายได้ของตนเองต่อเดือนว่าเรามีรายได้เท่าไหร่พอบินไฟฟ้ามาไม่มีเงินจ่ายวิ่งเข้าร้านค้า ขอยืมเขาทีละรอย200อยสี่้หาแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะคืนให้เขาพอนีสินมันพอกพูนขึ้นพอกพูนขึ้นเขามาถามว่าลุงว่าไงเงินเอาไปเยอะแล้วเมื่อไหร่จะคืนให้สักทีโอ้ยไม่มีปัญญาหรอกมีที่ดินที่นางมารดาดกพ่อแม่อยู่นั่นน่ะอยู่แปลงหนึ่งเอาซะเกลี้ยงไอ้เนี่ยทางหนึ่ง อีกทางที่สองสหกรณ์เงินกู้พวกปล่อยเงินกู้ไม่สอบสวนถึงหน้าที่การงานธุรกิจของผู้กู้เงินเรากู้ไปเพื่ออะไรแล้วมันจะได้อะไรคืนมาไหมกู้ไปแล้วซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกขี่บางทีถือว่ามีฐานะดีหน่อยก็ซื้อรถยนต์ให้ลูกขับเอาที่ไร่ที่นาไปจำนองจำนำเอาไว้แล้วทีนี้หัวคิดสติปัญญาที่เราจะหาประโยชน์จากรถยนต์เนี่ย มันไม่มีแม้แต่นิดหนึ่งได้แต่ขี่ไปโกโก้เท่านั้นเองมันก็มีแต่ลดลงลดลงลดลงลงผลสุดท้ายรถยนต์พังพอย้อนมามองที่ไร่ที่นาก็หมดแล้วตกเป็นของเขาแล้วเลยต้องเดินเรียงคิวเข้าไปเป็นกรรมกรทาสตามโรงงานต่างๆเนี่ยทางหนึ่ง อีกทางหนึ่งก็กาาทกอธนาคารเพื่อการเกษตรให้ราษฎรกู้เงินก็มีทํานองเดียวกันกับสหกรณ์เงินกู้เหมือนกันอ้าวก่อนที่จะลงมือกู้เงินลุงจะเอาอะไรมาจำนองเอาไว้ที่ดินไหนไปสํารวจที่ดินก่อนพอไปเห็นที่ดินชอบใจในที่ดินทุ่มให้กู้เลยจนแกไม่มีปัญญาที่จะส่งต้นทุนคืน ในที่สุดขาดพอขาดแล้วธนาคารก็ไปยึดยึดแล้วก็เอาไปขายให้ในทุนเนี่ยด้วยประการชนิ้ในที่สุดคนที่ชื่อว่าสัญชาติไทยคนไทยสัญชาติไทยจะต้องเช่าที่ดินซึ่งทั้งทังที่ตัวเองเป็นเจ้าของแผ่นดินจะต้องเช่าที่ดินในกรรมสิทธิ์ของคนต่างด้าวอยู่ นี่ใครมีหน้าที่บริหารประเทศชาติบ้านเมืองรีบคิดเสียตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปแต่มันก็เป็นกรรมของคนไทยเหมือนกันไปเห็นแก่เงินร้อย0 0ของเขาที่เขาไปแจกให้เวลาหาคะแนนเสียงหาได้คิดไม่ว่าคนที่ทุ่มลงทุนนั่นหนะักในเมื่อมันเป็นใหญ่เป็นโตแล้วมันจะต้องชักทุนคืนเตี่ยของนักการเมืองคนนึง ยังพูดกับลูกมันเลยว่าอติเมื่อไหร่หรือจะชักทุนคืนสักทีหรือลงทุนไปมากแล้วเพราะฉะนั้นทำไมบ้านเมืองเราจึงเป็นอย่างนี้ถ้ามีใครถามว่าบ้านเมืองเราทำไมถึงเป็นอย่างนี้ถ้าหลวงพ่อจะให้คำตอบอย่างตรงไปตรงมาก็ที่เป็นอย่างเนี้ยเพราะมันไม่ให้คนไทยปกครองประเทศไทย คนไทยไร้จุดยืนเวลานี้เราก็ไปมัวเพลิดเพลินอยู่แต่กับลทัทธิใหม่ๆที่เขาเอาเข้ามาแต่ของดีที่เรามีประจำบ้านประจำเมืองของเราอยู่เนี่ยเรากลับลืมไปตื่นสิ่งใหม่ที่เขามาหยิบยื่นให้เพราะฉะนั้นในเมื่อสรุปลงไปแล้วคนไทยของเราไม่มีอะไรเป็นจุดยืน เมื่อขาดจุดยืนแล้วมันก็มีแตเ่เขวไขว้คว้าอะไรผ่านมาระเอาหมดคนไทยเราได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีจุดยืนไม่ทราบว่าจะเอาอะไรเป็นหลักใจเมื่อไม่มีจุดยืนไม่มีสิ่งยึดก็กลายเป็นประชาชนพลเมืองที่หย่อนวินยัยบ้านเมืองใดที่หย่อนวินยัยหย่อนระเบียบขนบประเพณีบ้านเมืองนั้นหาความเจริญไม่ได้